3.15 วิบากวงเล็บเปิดหนึ่งมีนาคม25หยในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาทีเจวงเล็บปิดมัวเนี่ยบางครั้งไม่ใช่โมหะก็มีมัวเป็นวิบากก็มีอย่างบางช่วงเราไปฟุ้งซ่านมาเต็มที่แล้วเนี่ยในขณะนั้นมีสติขึ้นมานะใจก็ยังไม่แจ่มใสต้องรับอกุศลวิบากไปช่วงหนึ่งต้องยอมรับสภาพวิบากแก้ไม่ได้วิบากเอาไว้ชดใช้ เป็นนี่ต้องชดใช้เห็นไหมสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุเราไปคลุกกับโลกมากใจก็หมองมัวไปไม่ห้ามมันห้ามไม่ได้แก้ก็ไม่ได้ไม่ต้องแก้ยิ่งอยากแก้นี่กิเลสอันใหม่เกิดแล้วก็เกิดการดิ้นรนทางใจเรียกว่าสร้างภพสร้างกรรมทำให้มัวยิ่งกว่าเก่าอีก